สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักดิฉันได้มีโอกาสสนทนากับท่านผู้ฟังที่มีจิตใจงดงามท่านหนึ่งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวจากจดหมายของคุณหมออมรามาลีลาไปเมื่อคราวที่แล้วท่านมีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในขณะนี้ให้เขาได้มีกำลังใจ และสามารถมีตนเองเป็นที่พึ่งได้ในระยะหัวเรียวหัวต่อของชีวิตโดยท่านขออนุญาตนำเนื้อหาสาระที่เคยออกอากาศทั้งหมดของดิฉันจนถึงปัจจุบันไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตามที่ได้ตั้งใจไว้ดิฉันจึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่มีต่อเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันของท่านมาณที่นี้ด้วย พร้อมกันนี้ก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผลงานต่างๆที่ได้ออกอากาศเป็นธรรมทานไปแล้วนั้นจะมีคุณมีค่าและเป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไปค่ะสำหรับเช้า ว, วันนี้เพื่อเป็นการสานต่อความตั้งใจเดิมของดิฉัน ที่ปรารถนานจะช่วยเหลือผู้ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในขณะนี้รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายและคนใกล้ชิดที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีให้ได้ตระเตรียมสเสบียงอันเป็นหลักของใจเพื่อนำทางชีวิตไปสู่ความเป็นอิสระสงบร่มเย็นอย่างแท้จริงดิฉันจึงของนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งจากหนังสือเล่มเดียวกัน คือผิดว่าความตายมาภาคที่คุณหมออมรามาริลาท่านได้รวบรวมไว้เพื่อเป็นประโยชน์และกำลังใจแก่ผู้ป่วยไข้ซึ่งท่านได้บรรยายไว้อย่างน่าฟังและครบถ้วนสมบูรณ์ในแนวทางทีเดียวค่ะเรามารับฟังเนื้อหาสาระตอนแรกของเรื่องหลักใจสำหรับผู้ป่วยที่คุณหมอท่านได้บรรยาย ณ ห, ห้องประชุมจงจินชมรมพุทธธรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันที่18กันยายน2528ไปพร้อมกันเลยนะคะท่านอาจารย์และท่านผู้สนใจหลายท่านอาจนึกว่าเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้ห่างไกลตัวมาก แต่จากความจริงที่ประจักษ์ความเจ็บและความตายเป็นสิ่งที่กําหนดกันไม่ได้บางท่านกําลังแข็งแรงหนุ่มชะกันขับรถไปประสบอุบัติเหตุกลายเป็นผู้พิการช่วยตัวเองไม่ได้บางท่านเกิดเป็นมะเร็งในวัยที่ไม่คาดคิดแม้จะรักษาอย่างไรอย่างไรมะเร็งก็ลุกลามไม่หยุดยั้งจนถึงแก่ความตายในที่สุด จากการได้เห็นอย่างนี้ทำให้คิดว่าทำอย่างไรเราจึงจะเตรียมชีวิตของเราหรือในช่วงที่เริ่มรู้ว่าเราเข้าที่คับขันเวลาที่เหลืออยู่อย่างจํากัดนั้นจะใช้ให้เป็นสารับประโยชน์อย่างที่สุดอย่างไรบ้างประการแรกทุกคนพอเจ็บป่วยจะมีความหวาดกลัวต้องการให้หมอบอกว่าเราเป็นอะไร จะตายหรือจะหายซึ่งหมอคนไหนคนไหนก็บอกไม่ได้ทั้งนั้นและถ้าคนไข้เอาใจไปมัวครุ่นคิดแต่ว่าจะหายหรือจะตายเลยไม่มีจิตใจเหลืออยู่เพื่อทำชีวิตที่เป็นอยู่ให้สงบสุขได้ทำอย่างไรหมอหรือผู้ใกล้ชิดจึงจะเบนความสนใจของคนไข้ออกจากตรงนั้นได้ จากกรรมวิธีที่ตัวเองใช้และได้ผลก็คือเริ่มต้นคุยกับคนไข้ก่อนปูทางให้เห็นว่าทุกคนต้องตายทั้งนั้นถึงไม่เจ็บก็อาจนอนหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกก็ได้หรือคุณลุงของดิฉันท่านเป็นมะเร็งที่ตับคุณหมอตรวจแล้วบอกลูกหลานว่าถ้าดูแลดีๆก็อาจอยู่ไปได้อีกสักปีหรือสองปี แต่ถ้ามีอะไรแทรกซ้อนหรือกระทบกระเทือนใจก็อาจจะเร็วกว่านั้นลูกหลานก็ทำใจไม่ได้มัวเกี่ยงงอนกันว่าเวลาสั้นเกินไปแต่ความเป็นจริงคุณลุงเจ็บไปได้ยังไม่ถึงสองเดือนท่านก็เกิดเป็นปอดบวมและตายด้วยโรคปอดบวมดิฉันก็เล่าเรื่องนี้ให้คนไข้หลายคนฟัง ว่าจะอยากรู้ไปทำไมว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้มันเจ็บป่วยด้วยอะไรกันแน่เพราะเห็นไหมทั้งที่ลุงดิฉันเป็นมะเร็งกลับตายปุบปับด้วยปอดบวมหรือตัวดิฉันมาเยี่ยมคุณอยู่ที่นี่พอรากลับออกไปอาจจะถูกรถชนตายแต่ตัวคุณซึ่งกังวลว่าจะตายกลับยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ เรื่องทำนองนี้ที่จะทำให้เขายอมรับความจริงว่าการตายไม่จำเป็นต้องเจ็บเสียก่อนถึงจะตายแข็งแรงอยู่อย่างนี้อาจจะมีเหตุปัจจุบันอะไรมาทำให้ตายก็ได้ให้ใจของเขาคลายกังวลยอมรับว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตท่านอาจารย์สิงห์ทองเคยบอกว่าคนเราทุกคน พอคลอดออกจากท้องแม่ร้องแววแรกก็เอาป้ายตัดสินประหารชีวิตห้อยคอมาด้วยแล้วมีอะไรบ้างที่มีชีวิตในโลกนี้เกิดมาแล้วไม่ตายเมื่อความจริงเป็นเช่นนี้มันก็เหมือนกับว่าพวกเราทุกคนพอหายใจเพลือกแรกก็รับป้ายตัดสินประหารชีวิตแขวนคอมาพร้อม แต่เขาจะเอาไปเข้าหลักประหารเมื่อไหร่เรารู้ไม่ได้แล้วเราจะเดือดร้อนไปทําไมเมื่อคนไข่ยอมรับสัจธรรมข้อนี้แล้วท่านอาจารย์สอนไว้ว่าความเจ็บป่วยเป็นโชคเพราะทำให้เรามีโอกาสได้ลงสนามซ้อมเพื่อเตรียมตัวถ้ายิ่งเราได้เจ็บป่วยหลายครั้งเจ็บแล้วหายเจ็บแล้วหาย ยิ่งดีได้ซ้อมจนชำชองเพราะบางคนไม่มีโอกาสได้ซ้อมพอเจ็บครั้งแรกก็ตายเลยอย่างนั้นอาจเสียท่าปรับตัวไม่ทันแต่เราโชคดีได้เจ็บและได้ซ้อมเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปห่วงว่าเจ็บนี่หนะมันจะหายมันจะตายมันจะเป็นอย่างไรอย่าไปสนใจ ความเจ็บเป็นเพียงแบบฝึกหัดให้เราดูใจเราว่าพร้อมที่จะลงสนามรบครั้งสุดท้ายหรือยังเราจะได้เก็บข้อมูลว่าตรงไหนที่ยังบกพร่องคราวหน้าจะได้วางแผนให้รัดกลุ่มกว่านี้สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหามากคือเวทนาความเจ็บปวดถ้าคนไข้เป็นมะเร็ง ความเจ็บปวดจะเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไข้ประทวงว่ามันดูใจไม่ไหวเพราะเห็นแต่ปวดท่าเดียวเราก็ปลอบว่าตรงนี้แหละสําคัญที่สุดถ้าเราไปยึดว่าความปวดเป็นตัวเราแล้วแล้วก็ใจจะจมมิดอยู่ในความปวดจนไม่มีทางช่วยตัวเองได้เพราะเวลาที่ใจจะเปลี่ยนพบมันก็เหมือนกับเรากำลังออกเดินทาง ถ้าเราออกเดินทางเวลาพรเพลจะสว่างก็ไม่สว่างจะมืดก็ไม่มืดมองอะไรก็ไม่ถนัดยิ่งใจของเราตื่นกลัวหวาดวันมันก็เหมือนกับฝนตั้งเขาทะมึนมีลมพายุดีไม่ดีมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าและฝนกระหน่ำลงมาจนเราเปียกปอนลื่นล้มลงไปในหลุมในร่องที่มองไม่เห็น แข้งขาหากักเดินต่อไปไม่ได้เมื่อจะเดินทางอย่างน้อยที่สุดต้องมีไฟฉายคือสติปัญญาอยู่กับใจให้เราเห็นหนทางถ้าเตรียมสติปัญญาของเราพรักพร้อมก็เหมือนเราออกเดินทางเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใสมองเห็นทางชัดเจนถ้ามีสเสบียงกลางมากกว่านั้นก็เหมือนกับว่า เราไปพบถนนราบเรียบไม่อย่างนั้นหนทางอาจจะขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อหรือหลงเข้าไปในป่าดงพงพีแล้วหาทางออกไม่ถูกอะไรเล่าที่จะเป็นสเสบียงกลางเหล่านี้การอบรมใจหรือที่เรียกว่าภาวนาถ้าเราตั้งสติให้อยู่กับใจไม่ได้ต่อให้มีมีดมีพระ มีครบหมดทุกอันในเป้หลังพอถึงเวลาจะใช้หยิบไม่ทันหาไม่ได้แบกไปหนักเปล่าๆทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นหลายท่านที่เคยปฏิบตัติเคยรู้ธรรมข้อนั้นข้อนี้ข้อนน้นแต่เวลาจจนตัวแชกออกมาใช้ไม่ทันคนบางคนรู้หมดความโกรธไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ต้องแก้ด้วยเมตตา พูดได้ทุกอย่างแต่เวลาตัวเองโกรธเขาจริงๆริงเลี้ยงออกไปเลยนี่ก็เหมือนกันเรารู้ว่าความเจ็บปวดต้องกำหนดแยกจากกายแต่พอเจ็บปวดเข้าจริงๆสติตั้งไม่ได้มันก็แยกความเจ็บปวดไม่ออกมันไม่เอาอะไรทั้งนั้นใจไปคลุกอยู่แต่ตรงปวดนั่นแหละเราก็ให้กำลังใจเขาให้ลองซ้อมก่อน การจะซ้อมให้ได้ผลก็ต้องเริ่มซ้อมตั้งแต่ยังไม่เจ็บปวดหรือเจ็บปวดน้อยๆก่อนเพราะถึงเจ็บเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรก็ตามทุกขเวทนาก็ไม่หนักต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลามันจะมีขนาดที่รู้สึกสบายพอทนได้แทรกเข้ามาตรงที่สบายนี่แหละให้เขาลองฝึกสตินั่งไม่ได้นอนก็ได้ โดยมุ่งกำหนดสติให้อยู่กับใจการกำหนดสติให้อยู่กับใจสำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นของยากว่าจะกำหนดอย่างไรถ้าคนไข้กำลังให้น้ำเกลือเราก็ให้เขามองกระเปาะที่น้ำเกลือหยดลงมาเปรียบกระเปาะเป็นเหมือนใจของเขาคำบริกรรมพุทโธ ท, ที่เอาสติไปกำหนดเป็นเหมือนหยดน้ำเกลือ เมื่อกำหนดคําบริกรรมแต่ละคําหยดลงไปในใจมันจะเข้าไปชะล้างจิตใจที่กําลังทุกข์หวั่นกังวลด้วยความเจ็บปวดให้คลี่คลายเบาบางลงตั้งสติให้แน่วแน่วไว้ที่ตรงหยดน้ำเกลือก็ได้เมื่อน้ำเกลือหยดหนึ่งหยดกาหนดพุทธหยดถัดไปโทกาหนดพุทธโทพุทโท ต่อเนื่องกันอยู่ดังนี้เมื่อสติมีที่หมายชัดแจ้งใจก็จดจ่ออยู่แต่กับหยดน้ำเกลือไม่แวบปลิวไปที่ไหนเสียถ้าไม่มีน้ำเกลือเราก็กําหนดที่ตรงไหนก็ได้เป็นต้นว่าให้เพ่งเข้าไปในตัวของเขาเองสมมุติว่าตรงกึ่งกลางอกเป็นที่ซึ่งใจเขาอยู่ ก็เอาสติไปกำหนดไว้ที่ตรงนั้นหรือกำหนดไปที่กระบังลมตรงที่เข้าหายใจเข้าไปจนสุดแล้วมีความรู้สึกว่ามันหยุดที่ตรงนั้นก็เอาสติไปตั้งที่นั่นและกำหนดพุทโทตามจังหวะที่ลมหายใจเข้าหายใจออกกระทบถ้ากำหนดได้เขาจะรู้สึกใจสบายความเจ็บปวด ค, คลายไปคนไข้หลายรายขณะมีกำลังใจจะเอาอยาแก้ปวดวางไว้ก่อนแล้วกำหนดสติทำสมาธิบางครั้งทำแล้วไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดผลที่ประจักษ์กับตนเองทำให้มีกำลังใจขึ้นมากถ้าเขาทำอยู่อย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งใจสงบลงรวมเป็นสมาธิ บางคนลงรวมจนรู้สึกว่าร่างกายเบาหายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้เฉยๆโ ล, งโลง่งถ้าได้สัมผัสจุดนี้เราก็อธิบายให้เขาเห็นว่านี่อย่างไรที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากายของเราเป็นสมมุติประกอบขึ้นมาจากธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งมีธรรมชาติแปรปรวนเปลี่ยนแปลง เหมือนสิ่งทั้งหลายในโลกที่เราเห็นเช่นอาคารบ้านเรือนก็เก่าแตกรป้ยพังไปต้นไม้เมื่อถึงวาระก็ยืนต้นตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าพืชสัตว์หรือคนที่เราเห็นรวมทั้งปู่ย่าตายายก็แก่ก็ตายไปทั้งสิ้นก้อนร่างกายของเราก็เช่นกัน วันหนึ่งก็จะแปรปลวนไปอย่างนั้นแต่ใจซึ่งเป็นธาตรู้เป็นพลังอมตะธาตุไม่ได้ตายตามไปด้วยภาวะสมาธิทำให้ประจักษ์กับใจของเขาเองแล้วว่าธาตรู้และดินน้ำลมไฟเป็นคนละส่วนคนละอันกันธาตรู้ที่เป็นอมตะธาตุไม่ตาย คงรู้อยู่เช่นที่เขาเป็นขณะจิตรวมเมื่อเห็นชัดอย่างนี้เขาก็เกิดความเชื่อแน่ใจมั่นใจว่าเวลาเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิกายกับใจแยกจากกันอย่างนี้เองถ้ามีสติกระชับอยู่กับใจแต่ถ้าตั้งสติไม่ดีอุปทานความยึดมั่นถือรั้นผิดๆจะเป็นกาวิเศษ ที่ผนึกธาตุรู้ซึ่งเป็นใจเข้าไว้กับกายซึ่งมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ชักเคเยอะกันคลุกผลักทุรักทุเลยิ่งมีเวทนาเข้าไปผสมรงด้วยทำให้ยิ่งแยกไม่ออกแล้วยังทุรนทุรายอีกด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นหนทางก็มืดมิดถนนที่ใครชี้บอกว่ามีอยู่ก็มองไม่เห็นดิ้นรนจนตกลงไปในปรับ โคลนตมตีไม่ดีแข้งขาหักเดินต่อไปไม่ได้เพราะเหตุอย่างนี้แหละเราจรึงต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมที่จะลงสนามรบได้ทุกขณะถ้ามีหลักใจเชื่อมั่นว่าใจไม่ได้ติดเกี่ยวพันกับดินน้ำลมไฟที่แปรปรวนเปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านที่โปลกขึ้นจนจะพังมิพังแล แต่ตัวเราไม่ได้ถูกปรกกัดกินไม่ชำรุดสุดโทมไปด้วยเมื่อเห็นว่าบ้านอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วพังแน่ๆเราก็เดินออกประตูทิ้งบ้านไปตัวเราก็เหมือนกันถ้าเห็นว่าก้อนดินน้ำลมไฟอันนี้แปรปลวนเกินการเยียวยาแก้ไขแล้วกลายเป็นภาระอันหนัก แม้กระทั่งจะหายใจเข้าทีหนึ่งออกทีหนึ่งก็เหน็ดเหนื่อยเสียจนกระทั่งไม่มีแรงจะหายใจแล้วเราก็ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของมันจดจ่อดูธาตรู้เอาสติกุมมันไว้ให้ดีแยกไว้ต่างอันต่างไปถ้าหลักอันนี้แน่วแน่มั่นคงเวลาที่จะไปเวลาวิกฤตใจจะไม่ทุรนทุราย มีสติอยู่รักษาใจเมื่อตั้งสติได้อย่างนี้ใจที่มีสติรักษามีปัญญาแนะสอนย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะสิ่งไรก็ตามที่เรามีสะสมอยู่บุญหรือบาปจะเป็นสเสบียงกลางนำเราไปสู่ถิ่นที่เหมาะที่ควรปัญหาที่หลายคนชอบถามคือ มีผู้เท่าผู้แก่สอนว่าเวลาจะตายให้คนมาบอกทางให้เรานึกถึงแต่คุณงามความดีนึกถึงแต่บุญกุศลนั่นคือการพูดตามท ฤ, ฤษฤีใครก็พูดได้แต่ใจของคนเราเป็นของสลับซับซ้อนแปลกประหลาดมหาศาลทั์งทั้งที่มีพระมาสวดพุทธมนต์เต็มห้องหรือคนที่รักกุมมือเราให้กำลังใจอยู่ สัญญาความจําเก่าๆก็ยังแสงเข้ามาในม น, นุวารทำให้ไปนึกถึงเรื่องที่ตัวเองซ่อนเร้นปกปิดพยายามลืมและความคิดนั้นก็เข้ามาจับใจของเราเอาไว้เหนี่ยวนำให้ไปยึดติดอยู่ในโลกของความนึกคิดจนไม่รับรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทฤษฎีก็มีได้พูดไปต่างๆนานาแต่ถ้าไม่ฝึกซ้อมไม่หัดช่วยตัวเองเอาไว้ ถ้าอารมณ์อะไรพัดเข้ามาในใจทำอย่างไรเราจะดับมันทำอย่างไรเราจะไม่ปล่อยใจให้ติดตามไปเสวยอารมณ์นั้นจนหาทางออกไม่ได้